แล้วก็ฝรั่งฟังว่าพระวัดนี้ไม่ค่อยสามัคคีกันเลยเขาก็ถามว่าทําไมถึงรู้ว่าไม่สามัคคีกันอเธอก็ตอบว่าเวลาพระฉันนี่ไม่คุยกันเลยต่างคนต่างก็ฉันฉันได้บานะพระชาวอเมริกันของังไม่เข้าใจนะว่าประเพณีวัดป่านี่นะเวลาฉันนี่ก็ฉันในความสงบนะฉันยังมีสติ มันไม่เหมือนกับที่เธอคุ้นเคยนะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยก็ถือเป็นเวลาของการสังสรรค์ไปด้วยนะก็พูดคุยกันกินไปคุยไปบางทีก็ปรึกษาหาหรือเรื่องงานปรกลงเรื่องธุรกิจก็กลางวงอาหารนี่แหละที่พระในวัดป่าวัดนั้นแล้วก็หลายวัดรวมทั้งวัดนี้ด้วยเนี่ยเวลาฉันไม่ได้พูดคุยกันก็เพราะว่าต้องการเจริญสตินะแล้วก็ไม่ใช่พระอย่างเดียวนะ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 นะกินไม่ลงบางคนก็เครียดกับการคิดเรื่องงานการนะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเลยนะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจระหว่างที่เรากินอาหารเราก็วางความคิดต่างๆลงนะให้ใจรับรู้อยู่การกินอาหารนะความคิดมันพาใจเรากระเจอกระเจิงไปไหนก็รู้ทันแล้วก็ดึงใจกลับมามันไม่ใช่แค่มีมความคิดนะมันมีความรู้สึก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 ก็กลายเป็นหากลายเป็นปัญหาว่ากินมากไปจนร่างกายนะอ้วนทวนอย่าพระเจ้าประสิทธิโกสนนี่ไม่มีสติในการกินนะก็ทําให้ร่างกายเนี่ยอ้วนทวนนะเวลาเดินก็ติดขัดเวลานั่งก็ไม่สะดวกพระพรทเจ้า ก, ก็เลยแนะนําว่าเนี่ยก็พูดเป็นคาถาว่านะผู้มีสตินะรู้ประมาณในการบริโภคย่อมมีเวทนาน้อยแล้วก็อายุยืนคาถาสั้นๆอย่างเนี้ย พระเจ้าเรติโกสนชอบมากแต่กลัวจำไม่ได้หรือว่ากลัวว่ากลัวจะเพลินกับการกินก็เลยให้มหาเล็กท่องเอาไว้และเวลาพระเจ้าเปรนติโกสนสวยแพกระยาหารก็ให้มหาเล็กท่องคำนี้แหละว่าเนี่ยผู้มีสติทุกเมื่อรู้ประมาณในการบริโภคเนะเวทนาย่อมเบาบางนะเวทนาคือความอึดอัดความแน่นนะ่มันก็เบาบางแล้วก็อายุยืนก็ทาให้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 และชีสมาลคือเวลามากินอาหารนะก็ให้มีสติอยู่วัาการกินนะใจรับรู้การกินชอบก็รู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบนะอร่อยก็รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยก็รู้ว่าไม่อร่อยนะเขาเคยมีการทดลองนะให้อาสาสมัครจานวนหนึ่งเนี่ยเป็นสิบคนเลยมากินเขาเรียกว่าซุปมะเขือเทศซุปมะเขือเทศมันสีแดงๆแล้วมันข้นๆ ใส่ในชามใบใหญ่เลยทุกคนนี่ไม่รู้เลยนะว่าไอ้ก้นก้นชามเนี่ยมันมีท่อที่ต่อเติมสุปมะเขือเทศเติมทีลนิดเทเลนิดเติมไปเรื่อยๆคนกินก็ไม่รู้นะกินไปกินไปมันไม่หมดสักทีมันไม่พร่องสักทีก็ไม่เอะใจไม่มีใครสักคนเอะใจเลยว่ากินมานานแล้วมันไม่พร่องหรือว่ามันพร่องนิดเดียวเองมันไม่หมดสักทีเ้าก็ถามคนทุกคนนะว่า สังเกตไหมว่ามันพร่องนิดเดียวมีใครเอจใจว่าทําไมกินแล้วไม่หมดสักทีก็ไม่มีใครเอจใจถามว่าทําไมไม่เอจใจก็เพราะตอนนั้นเนี่ยตอนที่กินนี่ใจลอยใจลอยคิดโน่นคิดนี่นะก็เลยไม่สังเกตว่ามันไม่ค่อยพร่องหรือไม่เอจใจว่าทําไมมันไม่หมดสักทีนะอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะว่ามันพอใจลอยแล้วเนี่ยการกินก็เหมือนกินแบบไม่รู้สึกตัวคนเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะ